พระพุทธศาสนาตะเคียโลกมานานตะเคะปฏิัติธรมนพระพุเจ้าองค์ปฏิัตซึ่งประกาศพรทศาสนาออกมาถี่เลอะใช้โดยแสงทันห้าแล้วกุตตะปุ่มแสดงว่าประพุศาสา น, น า, าสปปนี่จะเค น, นโลกมาได้ห้าแล้ว 2,518 ัห้าิแปดปีก<บ>มวลชนทั้งหลายเรื่องมาตั้งแต่ากานจัดซื้อรนกระทั่งปัจจุบันนี้ต่อโกมะฮะโซกิามานันโดนิจังปัจเต อ, อสตุกระท่มทั้งหลายทำมันมวนนหลับทับิเพงอยู่ อะไรก็ตึงเรามาโลกนี้ไม่มีไฟใดที่จะรุ่มน้อนยุน่งกระไายที่เด็กต่างหากโลกท่านยังไม่ทราบเูยหรือว่าไฟของนี้เป็นไฟที่เผโลกม า, า, า, าเป็นเวลานานว่าทำความเสื่อมเสียจะโลกก็คือที่เล็กต่างหากอ่ไรนี้เป็น จากจากกลุมอาเซยมาดูทำไมจึนอาตังลุ่งเดิมมันถึงกลับไปไหนหนเไปไหล่านี้กลับไปเหล่านี้หละเพราะศาสรสอนโลกมาเป็นยังไ้ที่ไป็นไทยเห็นโทษไทยตามพระองค์ท่านพรวิรประทิทธิปฏิบัติกางจัดสิ่งที่เป็นไทยดังกล่าวนี้สอบได้โดยลังหมัด ข้งแรกก็มีเป็นจัตุีทั้งห้ามีพระัญญาปุรัญญาเป็นตนได้ดวงตาสินธรรมแล้วได้บางลุธรรมเป็นลำดับถึงห้าองค์นี่คือท่านผู้ที่ตื่นแล้วจากหลับหนัดตัดไปที่เลตปัญหาอัตรักอณกจากจิตใจใจ น, ะในี้โดยขึ้นสุแล้วลำดับต่อไป ตกไเื่อย ง, งห้าโซ่จิมานันดจะท่ารื่นเริงกันอะไรความรืนเงเงหล่านี้ไม่ใช่ของที่เฉลี่สอันใดนอกจากเป็นเชื่อไจที่จะให้เขจะเป็นหลังจากทำรื้นเรงกับรดับรงไปแล้วเท่า น, นั้นไม่มีอย่างอื่นนด า, าท่ทานูมีพดีอันมบาบางไปเลยรอ ตื่นเนื่อตื่นตัวต่อทิฏฐิิบัติตามพระอท่านรากเป็นสาวกอรหันขึ้นมาจาเมือมากมายโดยลาดับลาดับกระทั่งพระพุทธเจ้าพระิพันธ์และหลังจากนั้นมาก็ตื่นตามพระองค์เเลยเดือดเขด็ดอาตามเขาเด็พระพุทธเจ้าท่นได้แากทุบรรุพระหัตถสุขจันทร์งตนอยูโดยท่าปฏิจจารภาห์หาจุดกดที่กดจุ จับคับจิตใจไม่มีเลยก็คือท่านคุกค้นจากทุกค้นจากที่เหลืนี่หลยเพราะนั้นจึงพูดได้อย่างเป็นต่างวักที่เหลือเท่านั้นเป็นเคื่องปกติดกนบงังเหตดผลดีเชี่ยวันเนทางหน้าเดินเพื่อความสงบถูดเลื่องโยนของโลกทาที่เหลือออกจากใจเสียอย่างเดียวสุดผลก็เด่นชัดความผิดก็เหินชัดความถูกก็เหินชัด เติมใจทั้งการละการถอนเติมใจทั้งการบำเพ็ญทำด้วยความเป็นบกเติมใจด้วยการทำทั้งนั้นและผลที่จะถึงได้รับก็เติมอัดเติมทำเติมจิตเติมใจเติมขั้นเติมถูทำทั้งหลายด้วยลุกตามมาจากทางไกายมาทางหลวงได้ดุลดั่นมาได้ความเสียสละ ุกสิ่งอย่างแคว่านัแม้ชีวิตจิตใจเมื่อถึงเาจำเป็นแล้วก็ต้องทิ้ลงไปเพื่อบูชาพระพทธจาพระธรรมพสง์ตามจิําเนงของตนที่เมื่อมางแมว่าแต่ยานอื่นซึ่งไม่มีคุณค่าเท่าชีวิเลยขนาชีวิตมองสลัได้เม้ถึงเวลาจำเป็นตางสละจึงสฉมใจและอนุโมทนากับท่านต่างหลายเป็นอย่างนี้ในขณะที่ฟังครอบคนาฟังให้ถึงใจ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนโลกนี้เป็นธรรมที่ถึงใจรู้รู้อย่างถึงใจละที่เลิอย่างถึงใจถึงความสจริมุตยอย่างถึงใจเป็นความจริงอย่างถึงใจทุกส่วนแห่งธรรมที่เรียกว่าส่วนคาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วอย่างถึงใจไม่มีอในเคลือบแฝเคลือบแสงสงเคลแทงสงสัยื อ, แ, อแต่ว่าทําเหล่านี้ไม่เป็นไปเพระความคนถุกเมืม่อผู้ปฏิบัติตาม ให้ถูกต้องคำหลักมัทิตาที่สอนไปแล้วหนึ่งทำนี้จึงเลือกว่านิยามิกระทันเป็นธรรมที่จะยังผู้เพิกทิฏฐิปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้โดยลําดับจนกระทั่งถึงพ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเพราะหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นไม่มีตัวากไม่มีคําสอนของท่านผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้ที่จะยิ่งกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้า อุตสาก์ออกมาโดยชอบเพราะรู้ชอบผลชอบปฏิบัติชอบผลอุตสาห์เกิดขึ้นมาจึงเป็นความชอบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทานพระโอวาทได้ก็เรียบร้อยละมาถินมาเติมท่องคลางของโลกอยู่เสมอไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลและไม่ว่าชั้นระนะดใดที่จะนอกเหนือไปจากพระโอวาทซึ่งจะก้าวเข้าในถุนนั้นเตินแต่ไม่ได้ทำมากของพระพุทธเจ้ากระตาดกระเทือนอยู่ทั่วโลกดินแดน นอกจากโลกจะไม่สามารถที่จะพิสูจนปิบัติได้เท่านั้นชวนความเป็นสิ่งที่ประกาศทํางานอยู่ทั่วโลกเพราะความทุกข์มีอยู่ทั่วโลกทังฐานที่มียุงย่างแฝงจะเป็นไส้ก็กาตามบุคคลก็ตามทยจนระเทือนทั่วโลกเพื่อสิกงางถเราท่านไม่ทรงค้นพบพระองคเดียแล้วมัน คามรู้แจ้งถึงจิงตลอดปฏิบัติพาข้อปฏิบัติจึงทรงรู้แจ้งถึงจิตนั่นมาประกาศสองโลกมัจจิมาปฏิบัติพาปช า, าสะตนอวิสังขุธาบรรดาพระพุทธเาทั้งหลายตรงรู้แจ้งแต่ตลอดด้วยมัจจิมาธรรมนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นทำอื่นที่จะยังผู้ปฏิบัติให้ถึงความค้นคุไปตะได้แต่ก็นั้นมัจจิมาธรรมนี้จึงเป็นจุดกลางของโลกอยู่ตลอดไปหากผู้ปฏิบัติตามหลักมัจจิมานี้แล้วจะไม่ผิดหลัง เรื่องการสถานที่หรือมรรคผลมิพานนั้นไม่เป็นปัญหาอันใดที่เราจะไปคิดให้เสียเวลามิลานอกจากจะสนใจในการพิสูจน์ปฏิบัติกรรมจัดที่เหลือที่ตนภัยแกตนอยู่นี้เท่านั้นด้วยข้อปฏิบัติทันมีงามดำที่ท่านสอนไว้ที่เรียกว่ามัชฌิมามรรคฌิมาทำนี้เท่านั้นเป็นเครื่องรับรงยืนยันทั้งฝ่ายแก้ที่เหลือปัญหาอสระให้หงดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือพานในใจทั้งความรู้แก้งแทงตลอด ในโดยยธรรมทั้งหลายเป็นถึงธรรมพม้นทุกมีมัชฌิมาธรรมนี้เท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องรับแรงไม่มีธรรมใดที่จะรับแรงในการละและการมรรคดั ง, งที่กล่ามนี้ได้นอกจากหลักมัชฌิมาธรรมที่ประทานไว้แล้วนี้จึงเป็นที่แน่ใจสําหรับ ผ, ผู้จะพึงประพฤติปฏิบัติไม่ต้องคิดให้เสียเวลามเวลาในเรื่องมรรคผลมิพานขึ้นเกิดขึ้นสมัยไปแล้วทั้งๆที่ พระวาคําสั่งสอนพระมุสลิเจ้ายังมึนอยู่นั่นเป็นความชุกของโมคบุรุษโมคตตระีที่ชุกออกมาด้วยความดุนดาวสัมนาแห่งที่เหลือปกคลุมขโม่ไม่มองเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้องเนตายแล้วก็พูดออกมาตามภาษีอาิาาตั้งตนซึ่งแล้วคาพูดเหล่านี้ด้วยความเห็นแล้วนี้ไม่จากเท่าในจฎเติอนซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องดังหลักนัตติมา ข้อหลักมัชชิมาเป็นเส้นยืนยันแล้วออกมาแล้วจากพระไทยที่เบิสุทธิต์ต ร, รู้ก็ต ร, รัดทะลุด้วยหลักมัชชิมานี้การสอนธรรมก็สอนด้วยหลักมัชชิมานี้ผู้ปฏิบัติการหลักมัชชิมามีเครื่องที่เลือดเครื่อชนะที่เลือดประเภทเดียวกันเครื่องตัวไหนจะมีอํานาจวาสนาสามารถแต่กล้าที่จะลบล้างธรรมะเหล่านี้ได้ไม่ปราบ น, นอกจากเราจะเป็นผู้อ่อนแอลุ้น ไม่มีความสามารถที่จะพึงประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ให้ได้เป็นเป็นเม็ดเป็นหน่วตามธรรมที่กล่าวไว้เพื่อลดร้างสิงเลสที่มีอยู่ทายในใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอะไรเล่าเป็นเครื่องปิดกั้นมะขมุนนิพานในโลกนี้มีอันใดทั้งสิ้นที่เป็นเครื่องปิดกั้นมะขมุนนิพานมาให้พวกเราทั้งหลายที่ต้องการมะขุนนิพพานได้รู้ได้เห็นนอกจากสิเลสที่เท่านั้นไม่มีอย่างอื่น ต้ไม้กเป็นตไม้ภูเขาก็เป็นภูเขาลมพาอากาศก็เป็นลมพาอากาศสิ่งใดก็เป็นสิ่ง น, นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาจีดกั้นทางลำนึงเพื่อของผลไมานนอกจากสิเลตที่ทจมอยู่ในหัวใจหรือจิดจิตใจของเราอย่างนิดๆไม่มีจางวันจางชูนเมื่อเตื้อไปหมดนี้เท่านั้นนี่แหละคือเครื่องจีดกันนับผลไิ้ผานมะให้บรบากัพท์ทั้งหลายนี้ ธรรมชาติใดเล่าที่จะโติดสิ่งที่ปกปิดกำบังจิตใจยอยู่นี้ให้ออกมาได้โดยหลักก็มีหลักมัตติมานื้สรุปความเมืองให้เห็นชัดชาติในหลักจอริยปกิจจธรรมทั้งสิ้นแล้วก็คือปฏิจจธรรมสองประการเป็นเครื่องปกปิดกำบังจิตใจขอ ง, ก, องกับว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้คือพุทโธสมุนไทย สมุทัยคือเรือของกิเลสโดยตรงทุกเป็นผลของกิเลสที่ถือขึ้นมาให้เกิดความรุนร้อนแสบใจของสัดโลกมีเป็นเครื่องปกปิดจมังไม่ใช่ภูเขายิงฟ้าอากาศเป็นเครื่องปกปิดจิตใจทั่วมะเอ็งมะกุลานแต่เป็นกิเลสประเภทเหล่านี้เท่านั้นแล้วสิ่งที่จะบุเบิกลกิเลสประเภทเหล่านี้ออกได้คืออะไรก็มีหลักมัดมา มีศีลสมาที่ปัญญาเป็นต้นนีแลเป็นเครื่องมีที่ทันสมัยตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันและตลอดไปอีกไม่มีทางสุน้นสุป็นมัสยิมาอยู่เลยสมองเสมอแล ะ, วะแควรแต่การแสวงเสียทุกประเทศในบรรดามัสยิมาที่สอมื่อเรวนี้สัมมาพิสิทิสัมมาสังโมกท่เรียกพระองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาัจฉริยะอินทรีย์ตะเอมสิริ สมาสติสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิมี่เท่านี้องค์สมาธิรวมทั้งสามประเภทนี้แหละท่าเรียกว่ามาธิมามาธิมาทำนี้แลเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่ปิดกั้นทั้งหลายที่เกิดแบบนั้นให้งหมดไปหมดไปจากกันด้วยการปฏิบัติมันจะมีรวนแล้วอริยสัจทั้งสี่นี้มีอยู่กับตัวของเราทุกๆรายด้วยกัน พ ก, กับจงรูปไทยเป็นสิ่งที่สังสงิภายในจิตใจแต่มากได้แก่กข้อปฏิบัตินั้นถ้าเราอบรมให้มีข้อมอบรมให้มีมากมีน้อยตามกําลังความสามารถและความมาาาุ่งหมายของเรามีได้ด้วยกันเมื<น>่อเราอบรมให้ต็มที่เต็มภูมิแล้วก็สามารถแก้จิเหลือคุตตพเทศบรรดาที่จุดขวางอยู่านจิตใจให้ผ่านเช่นไปได้โดยนับจนกระทั่นนงถึงนิพนิถึงนิมีผ่านเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า ครับสาวโลกหลายไั่มีในผิตแปลกแตกต่างจากกันมือฉะนั้นความประทานที่จะเป็นเครื่องปกปิกจำ ม, มังวิือเปนเืงเครื่องจิกกัน้นักขุนนิพานมาให้บรรลุนั้นเป็นไปไม่ได้นอกจากที่เล็ดภายในของใจของสาวโลกฉะนั้นเป็นเครื่องจิกขั้นตนเองแม้แต่ช่างพุทธการก็มีเป็นนี้เหมือนกันเราอย่ามาตั้งแต่สมัยพุทธการนั่นท่านบรรลุมะขุนนิพานได้สมัยไม่บรรลุมาได้แม้สมัยนี้นนพระพุที่จ้ปฏิปทิิปฏิบัติกั้มจัดที่เล็ หลุดพ้นแต่ไม่ได้แม้จะเกาะชายคีวันคำพระพุทธเจ้าไปก็สับแต่ละเกาะเหมือนตวเลนขอาผ้าอะไรตรงนี้นเราจะหลุดจะหลุดอะไรนีน่ทิกข์ทั้งคำยึงขึนอยู่กับการประบททัติธิบัติที่เหลือเป็นประเภทเดียวกันในสมัยพุทธกาลซึ่งอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกมีความโลภความโกรธความหลงประเทเดียวกันทำรืตอแกลเครื่องแกที่เดือดก็มน ถึงประมาที่ปัญญาที่เรียบรวมแล้วว่าเป็นมัจจิมอย่างเดียวทิถีนั้นทุกคนได้ผลมาเป็นลำหนักลำหนับเมื่มีลาสมัยเพรคือทำเครื่องแก้ทีุ่เดชคือลาสมัยเขาจะพูดก็เคือเราจึไม่สามารถจะนำไปครอบปฏิบัติทีพุทธองค์ท่านสอนไว้แล้วมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามแต่แห่งธรรมที่ทรงสอนไว้นั้นกระแก้ทิเดชทั้งหลายให้งหมขึ้นประจากษ์ใจทำไม่สามารถจึงหยู่จากต่างเราจึงต้องปิดกั้นมาผลพันธ์ตัวเองแม้จะดีนั้น ในสมัยสร้างกุตกาหกรรก็ตามมาสมัยนี้ก็ตามถ้าทําแบบนี้ก่อจิตวิทย์ดขั้นตัวเองนักปุณิภัณฑ์ก็มีในบุคคลคนนั้นตลอดไปไม่ว่าสมัยใดถ้าจิิทย์ในฝังฟูมีภาระจิตใจไม่สงใจที่จะแก้ไขมันแล้วผูนั้นแย่ตกชีพผู้สร้างก่อสร้างน้ําให้ตป็นหยาบย่ําแล้วทาลายตัวอเองเสมอไม่ใช่ผูอื่นผู้ใดจะมาให้โทษให้ผิดนอกจากผู้ตัวตัวเองเองเป็นผู้ผิดเหตุอันไม่ดีขึ้นมา แล้วผลอันไม่ดีก็ติอความทุรนก็เกิดขึ้นจากตรงตรงนั้นเป็นผู้มีความสนใจแค่ในการกับกาปฏิบัติเพื่อการจัดสืบเดชตามหลักธรรมของมระพิทธเจ้าแล้วไม่ว่าสมัยใดๆสืบเดชกะหมอกล้ากันไปตามกันเช่นเดียวกับสมัยโน้นไม่มีอะไรผิดแปลกันมีเป็นหลักข้อยืนยันตายตัวว่าเป็นความจริงไม่มีอ ย, าอย่างอื่นที่จะนอกไปจากนี้การสมาธิภาวนาเป็นสิ่งสาคัญมาก คือเราจะได้เห็นเรื่องของปรดอย่างชัดเจนที่แสดงตัวอยู่ภายในจิตใจทางภาวนาภาวนาอย่างไรที่อาารทั้งหลายก็เคยได้แผ่ด้วยบ้งแล้วมีวิธีการต่างกันแต่สรุปความแล้วก็ผลสุเป็นอันเดียวกัดคือความสงบสุดเดินใจตลอดถึงความเจริญฉลาดสามารถภาในจิตใจเป็นผูกกำมอบรมภาวนาด้วย ทำบทใดบทหนึ่งเช่นพุทโธเป็นต้นขอให้กำหนดความรู้สึกของตนกับคำว่าพุทโธให้กลมืนกันโดยลำดับอย่ากให้ผู้รู้จักในตวองคิดถึงผลอันใยทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการภาวนาว่าจะเป็นสภาพนั้นจะเป็นรสภาพนี้ซึ่งเป็นเรื่องหลอกตัวเราให้กำหนดความรู้กับคำว่าพุทโธให้กลมืนกันทำบดยกรรมกับพุทโธเป็นเครื่องกลมกลืนกันอยู่เสมอความรู้ ที่เคยชาติแตในที่ต่างๆจะรวมจุดเข้ามาสู่ธรรมะพุธโธอันเดียวหลังจากนั้นก็จะปรากปรแต่ความยื้อล้วนแม้แต่ทำบริกรรมคุธโธก็หมดความหมายแต่อื่นนี่คือผู้ส่งตัวได้ด้วยความยู้ที่เรวมตัวท่านเรียกว่ากิัสงบมีแ้่ ง, งส่วนเป็นอย่างนี้ ผู้กำหนดอนาพานะฮะจิตลมหายใจเขาออกก็มีให้มีความรู้สึกมีสติตั้งอยู่กับลมหายใจที่กั่มปัดเขาออกเพรานั้นไม่ต้องไป็นสัมพัญมันหมายกับเกี่กับผลอนานอกจากงานที่ตนกำลังทำอยู่เท่านั้นผลก็จะคืนเป็นความสงบเช่นเดียวกันนี่คือการทดสรเการเรียนตามหลักศาสนานั้นเรียนเรื่องของตัวเองความเชื่อหมายของตัวเเป็นสั้งพันธ์เฉพาะอย่างนีนจุดยึดความเชื่อหมายอยู่ตลอดเวลาเนียกว่า โรงงานคลึกจิ่งต่างๆขึ้นมาเสนมากก็ติดทุกขึ้นมาไผาโดนกันเองการปฏิบัติธรรมคือการตอบ่องตนเองนี้ติดเป็นความที่ถูกต้องชอบธรรมการยึดถึดทางเดินของจิตยึดความคิดความปรงของจักรและิึีทางเดินหรือความสังสมกิเยสทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากใจนี้ตึกนี้เป็นสำผัญการพาวนาจริงต้องสงใจลงที่จิต ซึ่งเป็นฐานที่รือโรงงานอันผิดจริงต่างๆ่ อ, อมาให้สัตสสทั้งหลายได้รับความทึกข์ในตนเป็นต้นความสงบเราเรียนแต่ชื่อในหนังสือสมาธิคือความตั้งมัน่นหนังสือท่านบอกว่าตั้งมั่นแต่ใจแต่ใจของเรามันคล่องแคลนทัน้ทงทั้งที่เราประจำได้และสมาธิคือความตั้งมัน่นแต่ใจของเรา ท, าทั้ทงที่จาได้มันก็คล่องแคลนเหลืนนั้น ถ้าไม่ทำตามวิธีการที่ท่านสอนไว้การไม่แต่ชื่อกรจะเปิดประโยชน์ความจําับความจริงนั้นมีความผิดกันคนละโลกความจาเราจาได้มากน้อยอย่างไรก็าตามจาสุดจาคาถามาดีจนกละทั่งจเข้าใจดีเดียแต่การเรียนการพูดอย่า ง, งนี้ไม่ได้สมักทำของพระพุทธเจ้าเราพูดตามความจริงเราจะเรียนจบจบเข้าใจดีโดลยวตามที่อเดียดนั่นชื่ออย่างนั้นที่ออย่างนั้นชื่ออย่างนั้นัดเียงไร ข้อไม่สุดกระจุกเมื่อยังจับที่เดืดยังแท้ที่เดือดไม่ได้ไม่สุดถึองอะไรเกี่ยวกับตัวนี้นอกจากเราเรียนมาแล้วรู้วิธีแล้วปกติตปฏิบัติาการจัดที่เดือดตามวิธีทำทุกขั้นตอนไรแล้วที่เดือดสุดลราแต่โดยลําดับๆนั่นแหละคือผลความจริงจะปรากฏขึ้นในจุดนี้จากความจาที่เราเรียนมาที่เป็นแผงที่ที่เราเรียนมาเชื่อมอางนอกกับเช่นเดียวกับโซนเสือร้ายต่างๆ คืจะเป็นบ้านเป็นเมืองทำความเดืดอดร้อนให้แก่ประชาชนอยู่เปนเมือมากมายเราจะจดจำชื่อข อ, องตอวโดนห ร, นรือของเสือนั้นได้เพียงไรจนกระทั่งจึงโคตรแท้ของเสือนั้นก็ตามแต่เมื่อยังจับเสือนั้นมาเขา้าคุกเข้าตรางไม่ได้เมื่อไรก็เสือเหล่านั้นที่เราจาชื่อจาโคตรจำแท้ของมันได้โดยด้วยมือั่งแดจะเป็นผู้ต่อความวุ่นวายวนายเดืดอดร้อนให้แก่ประชาชนอยู่ไม่หยุดในถอย เพระฉะนั้นการตําชื่อสั็งแกื่งทั้งปูนจึงไมจ่จึงไม่สําคัญยิ่งกว่าที่จะจับจูนมาด้วยวิธีการต่างๆการตําชื่อของพิเดศวิธีการประพฤติปฏิบัติเราจาได้นี้เรียกประความจำเพราะนำคํามจำนั้นขึ้นมาประพฤติปฏิบัติจนกล้าเป็นความคิดขึ้นมาจนสมาที่เราได้ยินแต่ชื่อเราอ่านได้แต่ชื่อวัสมาธิเป็นความตั้งมั่นจิ่ตั้งทั้งที่จิตงเรายังไม่ตั้งมั่น เราก็มาทําตามวิธีการที่ท่านสอนไว้ววคือทําสมาธิต่างหรวัานี้สบลมตามนั้นจากทั้หนดทุทโทหรืออนาาาัตตาให้ติดเป็นต้นก็ให้เป็นไปตามความถูกต้องของธรรมที่ท่านสอนไว้เผยสติแล้วผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นควาสมสงบและเป็นความแน่นห น, นามั่นคงในจิตใจที่เรียกว่าสมาธิทำว่าสมาธิที่จำได้กับสมาธิที่เป็นเจริงที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจในี้เป็นคนละอย่าง ความจาได้เป็นความภาพหมายแต่ความจริงเป็นความ ป, าปรากฏเด่นชัดขึ้นกับตัวเองเช่นเดียวกับรับทานอาหารหวานก็ทราบเป็นก็ทราบแต่ควเราจะด้ยินเสดชื่อว่าหวา น, นนั้นเป็นอย่างนี้อาหาราประเภทนั้นหวานอย่านั้นเกล่ยลอย่างนี้เป็นอย่างนี้นั่นเป็นความจําแต่พามาถึงจิตอสัสตาของเราได้ทราบผิดเป่นแล้วเราต้งหายสงสัยเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วว่าทางโลกทางธรรมหายสงสัยได้โดยการถึงนั่นลืม ถนนพ้นทางมีความเจริญยืดเยื้ออย่างนั้นอย่างนั้นพอเราได้ยินเราก็วากภาพขึ้นตามที่แบบอย่นั้นเป็นลักษณะอย่งนั้นดยงนั้นอย่างนั้นแต่พอเราไปเจอความจริงพอเห็นจรงพอเห็นด้วยตาเนื้อของเราแล้วปัญหามันก็หมดไปเองเพราะนี่คือความจริงของสมาธิเป็นต้นข้อเช่นเดโยกันเราจำได้แต่ชื่อของสมาธิว่าเป็นอย่างนั้นดังนั้นมีแต่ไม่หาสงสายมีแต่คาดอะนเนืออยู่เรื่อยๆแอ่พอมาปรากขึ้นในใจแล้วคําว่าสมาธิกับ คือที่เราจำได้กับความจริงที่มาปรากฏขึ้นในตัวของเราเองก็เป็นอันเดียวกันความจริงปรากฏขึ้นแล้วความ้งสัก็หายไปมีแค่เลือกับความจริงความจริงนี้ไม่มีอะไรลบล้างได้เึ่นธรรมะบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนี่ออกมาจากความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทุกอย่างไครจะมาลบล้างกันไม่ได้มีแล้วพูดถึงเรื่องสมาธิเป็นความจิงเมือพูดถึงเรื่องปัญญา สัญญาคืออะไรคือความเฉลียวฉลาดแหลมคมที่จะถอดถอนทิเหลืออาวุธไม่ใช่ความเฉลียวฉลาดที่จะทำเ ค, ครื่องโยนกลไกเรือเหาะเรือบินก็โดดดาวเทียมขึ้นไปพิชิตจันทร์อะไรทั้งที่แก้คุกจนไม่ได้ความเฉลียดฉลาดแบนั้นก็ไม่เเกิดประโยดูไม่ดูความเฉลียวฉลาดลนั้นยังก่อโลกให้เดือดร้อนขึ้นอีกด้วยถ้าิดทาง แต่ความเจริญตลาดทางด้านธรรมะมีมากมายเป็นลาย่อมทำตนให้มีความร่มเย็นประจุและทาโลกให้มีความร่มเย็นประจุตามๆกันเพียเดียวพระพุทธเจ้าทรงเจริญตลาดให้ตรัสรู้ด้วยความสนาดของพระองค์แล้วนำทำนั้นมาสองโลกและทำร่มเย็นมากมายหลายกองตามคืออว่านี้นีคือความฉลาดที่ถูกต้องทาหลักธรรมทาหลายป็นความฉลาดอย่างนี้ที่เรียกว่าปัญญาปัญญาคือความต่อส่องคือความแหลมคมความคิดอ่านเกิดตรองต่างๆตามเอิดตามผล แล้วรู้แออจ้งคุ้นจงตามสุดนั้นๆนผลนั้นๆแล้วผลก็กรากสดขึ้นมาเป็นความสงบของสายภายในจิตใจปัญญาพี่จรมายอย่างไรที่ท่านเรียกว่าปัญญาคือการขี้กายธาตุสามของเราได้แก่ร่างกายนี่ ม, มันเป็นก้อนธาตุนี่งหรือเป็นขี้ประคุมมัดรวมกันนี่ส่วนผสมต่างๆที่มารวมตัวเข้าแล้วเราจะธาตุาสี่ดินน้าลงไปส่วนแข็งก็เป็นธาตุดิน เป็นอ่อนเป็นน้าก็เป็นธาตุน้ําลมในลมหายใจแต่ตนเรียกว่าธาตุลมไฟคือทํามอบอุ่นภายในร่างกายทั้งเรียกว่าธาตุไฟทั้งสีอย่างนี้มาผสมกันเข้าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคโดยที่มีจิตเข้าไปสิงสู่อยู่ในจักรพรรดินั้นแล้วถือกรรมติว่าเป็นตนของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคนขึ้นมาอนี้เราแยกให้เห็นตามความจริงของธรรมชาตินี้ เราอย่าเราไม่เกิดสันแต่ก่อนเราเกิดสันวันนี้เป็นเราวนี่เป็นของเราทั้งทั้งที่ดินเราก็ว่าเป็นเราน้ํเราก็ว่าเป็นเราไฟก็ว่าเป็นเราลมก็ว่าเป็นเราทั้งทั้งที่ดินน้ําลมไฟมีอยู่เป็นแผ่นดินแล้วไม่ถือว่านั้นเป็นเราแต่เรามาถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราซึ่งก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันนี่แสดงว่าเราไม่เข้าใจความจริงเลยว่าเราจะถือดรื่อ้น้ำเป็นเราทําไมน้าที่เราเห็นอยู่ทุกแห่งนั่นจึงไม่เป็นเราถือว่าลมลมก็ไปมีอยู่ทําไมไม่ว่าเป็นเรา เราทำไมจึงมาถือธาตุสีดินน้ำลมไฟซึ่ ง, งรวมหมุนในตัวของเราเนี่ว่าเป็นไหนมันก็เป็นความเห็นผิดเ น, ะนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาจึงแยกแยะลงไปเพื่เอเห็นการความเป็นจริงว่านี้ก็คือธาตุซึ่งเดียวกับกับสีภายนอกมีเป็นแต่เพียงว่ามัดมารวมกันอีดเถอะธาตุสีดินะนั้ำลมไฟแยกแยะกันดูให้เห็นอย่างชัดเจนถ้าพูดถึงอนิจจังก็มีความแปรสภาพอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งกลางคืนกลางวันดื่นดนนั่งนอนไมมีอิริยาบถไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์มีแต่ความแปรสภาพอีก ทำหน้าที่ขมงตนไปโดยลําดับโดยไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้นพุดถึงเรื่องความทุกข์กัมันกานมันอู่ขั้นอยู่ตลอดเวลาทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนหลาจึงต้องเสลี่ยนอิริยาบถเพื่อความมันเทาแห่งความทุกข์ถ้าว่าจะมีแต่เพียงอิยาบทเดียวโลกคนเรามันคนไม่ได้พ้นนอนตลอดไปนี่มันก็เป็นทุกนอนมากมากเข้าไปทุกมากที่เหมือนั้นมันก็ตายได้ยืนตลอดเวลาก็ยืนไม่ได้มันจะเพิ่มความทุกข์ขึ้นมากต้องเปลี่ยน เดินบ้างเดินบ้างนั ild, ่งบ้งนอนนอนบ้างยิ้มเสหายอะไรราบพานอะตรบ้างเพื่อบรรเทาความทุกข์ที่มีอยู่ภายในตัวเองนี่เรียกว่าทุกข์มีหรือม่มีในตัวของเราเรา่างทุกข์แต่ที่ไหนทุกข์อยู่ในตัวของเราทั้งวันทั้งคืนปฏิบัติต่อทุกข์อยู่ตลอดเวลาเรายังไม่ทราบว่าความทุกข์นี่มาลังควาหร่อลังแจหรือยู่ข้านเราอยู่หรือนะธรรมะเราจะเรียนที่ไหนถ้ามาเรียนในธรรมชาติที่เป็นความจริงแบบนี้ซึ่งมีอยู่กับตัวของเรานี่ท่านเรียกว่าปัญญาคาว่านัตตากขอย่างที่ว่านะ อาตาเป็หรือเป็นเราได้ที่ไหนอาจารแต่และอย่างอย่างเป็นหธรรมชาติของมันที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่และดับไปของมันเท่านั้นใครยึดว่าเป็นนายเป็นของเป็นของใครก็าตามเขาต้องมีความรู้สึกตัวเลยว่าเขาได้เป็นเราเป็นของเราตามความสังขารนั่นหมายของละมีกฎคือบอกความรู้ของเรานั้นเด็นติดตามเข้าไปขาไปไหนเขติดตามเข้าไปจะให้ทันแต่มันไม่ทัน ไม่สมปารถนาย่ำไปทั้งแล้วก็ติดตามติทุขังปรารถนาจึงใดไม่เป็นหวังสิ่งนั่นก็เป็นทุกข์ขึ้นมาจากใจของเราเองไม่ใช่เป็นทุกข์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดต่เป็นทุกข์แก่ท่าสิบีนั้นลงไปก็หาไม่แต่มันเป็นทุกข์ขึ้นที่ผู้หลงงมงายนี่เองจะเช่อชื่อจเชื่อถือเพราะฉะนั้นต้องจิตสอนรรรให้ขึ้นมาปัญญาที่ชาเรือเหอ็นตามหลักความจรแงนะปล่อยภาชนะแต่านี้ที่ชั้นคญว่าเป็นตัวตนนี้ออกเียคือความยึดมั่นถือนั่น ท, านนาท่ายทอดทายถอนกันออกมาโดยหลักใจของเราก็ สิ่งนั้นก็หลงไปการเป็นจนุ่มนี่ม า, า, าตั้งรูปเยาธนาสัญญาทั้งฐารยินยานจะเป็นสุดก็าตามเป็นทุก ข, ข์ก็ตามเสสุขขาตามมันก็เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างเราพิจารณาที่ขาเห็นตามความจริงมันแล้วมันก็ไม่หลงเยาวนาว่าเป็นเราเป็นของเราสัญญาความจำของมันกันจําได้แล้วมันก็หลงดื่มไปต้องจำเมื่อไหร่ถ้าจาขึ้นมาก็เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นดับไปเช่นเดียวกันนี้นิจางสุกขังนาเต็มตัวเช่นเดียวกันกับทิ่ทั้งหลายฐานยินยานความปรุงความแต่ง มันก็มีลักษณะเดียวกันเมื่อท่านเรียวกว่าปัญญารณนาที่กาให้เห็นตามความคุ้ของจิตเหล่านี้แล้วจิตมันจะยิดมั่นถือมั่นแน่นขนาดไหนก็ตามจิตใจจะเคยมืดหนาะตั้งโหดมาเพราะที่เรียกตกคุมหุ้มห่อมาตั้งกับทั้งการกะตามเมื่อตามไปแสงสว่างคือปัญญาขึ้นมาอย่างเต็มคุ้มแล้วความมืดมันก็ดับไปทันทีทันใดเช่นเดียวกับ ความมืดที่มอยู่ในบ้านในเรือนในถามที่ใดก็ตามพอเปิดไปขึ้นเท่นั้นมันจะเกิดมืดมาตั้งกับทั้งกันก็ทนอยู่ไน้ความระหว่างปรากฏขึ้นความมืดต้องหายแต่ทันตรีกันหน่อยข้อนี้ถามหลายประัการที่เดิดที่ทักผลจิตใจหรืหอหมอดจิตจังไหนจะมืดเคย ม, มืดมาติดกับติดกันก็ตามเมื่อปัญ ญ, ญาได้มีความสามารถเสี่กล้าส่องแสงสว่างเข้าไปในจิตที่ม่นแล้วความสว่างมันเกิดขึ้นเพราะอำาจของปัญญาต้อการปรากฏขึ้นมาเอง ทำมืดเสือเสื้อทั้งหลายะนั้นคนตัวอยู่ในหน้าเพราะหน้าของปัญญาที่ถิกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าสามารถทาจับสิ่งระนั้นได้เหมาะนั่นแหละที่เราท่านพ้นจากโลกเร่อโลกคือถูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรท่านมาดูแจ้งในสิ่งที่มืดมืดจิตตั้งภายในจิตใจทั้งฝนนี้เท่านั้นเป็นหลักสําคัญกันอีกเนี่ยข่านากโลกจะมีถูรู้แจ้งโลกรู้แจ ja? ้งโลกธาโลกขันเนี่ยโลกที่เดือดตัณหาอัตวะที่มีอยู่ภายในจิตใจนี่แหละที่เรียกว่ปัญญา ขนาดดังนี้ขนาดปัญญาเพื่อขบขันตเดิมปัญญาที่ถูกต้องพอถึงเมื่อมีความฉลาดทางใดก็ยกตในให้้นจากทุกข์ได้โดยกำลังแบบไม่ได้ฟาตองทุกมาเผาเรือนตอเนเดิม ท, ทั้งที่ทนตนมาตนฉลาด ท, าทั้งๆที่งงแทบตายเหมือนกันพรายังทํงาัญา่าตนฉลาดนั่นคือโ ง, ทท ง, โ ง, ท ง, โง่ที่สุดของโลกโดยประจำหลักธรรมของพระเจ้าที่ท่านเรียกว่าความฉลาดถ้าเนปราจำหลักธรรมเป็น่านี้นป่นปัญญา ที่นาพิการอย่างเสลอดมันจะละเอียกขนาดไหนมีภายในจิตใจทนปัญญาไปไม่ได้ปัญญาจะฝาดล้างไปหมดถึงที่ปราบก็เพียงคือความบริสุทธิ์บริสุทิ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าจะยังทรงพรสงอยู่ก็ตามแต่พระริพานนานแต่แล้วแค่ไหนก็ตามตามสมุนิยมจะไม่เป็นปัญหาจะไม่เป็นเครื่องมาติดกันมั่ส่วนิพพานของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและขอถอนเสลอดได้โดยชอบทำนี้ได้เลย ที่พระพุทธเจ้าันสอนทรงรงสอนว่าที่ไดเห็นธรรมผนั้นเห็นแนวทางพุทธนนนั่นละะหลายถึงอะไรแนาพุคืออะไรธรรมคืออะไรธรรมก็คือความจริงรู้ความจริงเข้าไปเดิมหนักก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้ากขเดิมหนักองค์พุทธเจ้าไม่ใชจริงคืออะไรไม่ใช่เรือนร่าง้าตุดิน น, น้ำลมไฟนี่เป็นองค์พุทธเจ้าแต่หมายถึงความบริจิตที่มีประจําชาไทยขององเมื่อเราเห็น ใจของเรามีความสว่างกระจ่างแจ้งเขาไปเริ่มดับเริ่มหน้าท่านข้อปฏิบัตินั่นคือว่าเราได้เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าโดยดับดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงเราถึงขั้นเหมุกเิีทั้งจัตุรีเกิดากการทั้งกลวนั่นแหล่ะคเราเห็นพระธาตุเต็มองค์ทีเดียวเมื่อได้เห็นจนนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจะเนิพพานนานไปสักกี่ปีกี่เดือนก็ตามมันไม่สําคัญเป็นไปเพียงการสถานที่หรือสมมติโยมที่ว่ากันไปพุทธานั้นจะมีนิพพานที่จะมีสัจฉาที่ไหน ท ำ, ทำไม่มีปา่าช้านิพานไม่มีป่าช้าความมื้สุดไม่มีป่าช้าไม่มีนิจังทุกขังนิจตาเขาไปเหยียบ ย, ย่ำทําลายธรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นผูท้ที่ถึงธรรมเหล่านี้แล้วจึงเป็นผู้หมดทางโง่ไม่มีอะไรที่จะเขาจะเหยียบย่ำทําลายหรือก่อผลได้เลยเราต้องการไม่ทําเหล่านี้หรือต้องการต้องแสบไปที่ไหนพวกกุ้งก็เดือดร้อนมีแต่ทุกข์เหยียดย่ำทำลายตลอดเลยนีน่แหที่ว่าธรรมอนุจารักจารอย่างนี้เขาพูดวเจ้ารสุกคนแต่โลกคนอย่างนี้เลยไม่ถูก อาเรียบย่ำมาตั้งแต่ขณะที่ตรัสรู้แล้วจนกระทั่งถึงปรินิานนั่นตลอดสายไปเลยเนี่ยทผู้ที่คนและคู้กู้กระเสดจะเสดอย่างนี้ทำก็ได้แสดงความระหว่างกระจ่งแจ้งให้โลกได้เห็นตามหลักความจริงพระสงฆ์าวกก็ได้หยุดทนไปตามพระวิาเพราะการพุธปฏิบัติจำกัดที่เดิดทั้หมดในจิตใจของสุดเอิงเานั้นจึงเรียกว่าพุทธทางธรรมะตั้งงต่ระดับระดับขั้ สมควรจากการถาว่าสองผู้มีชีวิตชั้งหลายอย่างเราที่หาชีุธไม่ได้เราหาชีวิตพระิุเจ้าพระธรรมพะสงฆ์นั้นไว้เป็นหลักกานแล้วไปพิจารณาตนเป็นรปตามหลับโครงสร้างกรรมบากที่เดือดขึ้นภายในจิตใจแล้วเราก็เป็นพุทธทางธรรมางกงลังกาลังกระถานม่ก้อนหลับเราเองได้เพุทธานอธมานอสังขารนอเป็นอันหนึ่งอย่างที่เราเป็นถึงท่านนั้นเป็นพุทธาธรรมสังขานอเมื่อเราสร้างจิตใจของเราด้วยข้อปฏิบัติทางที่ พระพุทจ้าทรงสร้าได้เป็นายเป็นตัวขึ้นของตัวขึ้นมาด้วยความมุดอย่างเ็เต็มที่แล้วนั้นและคืพุธทางธรรมทั้งทางสดงกาษามีทงเราอย่างแท้จริงใจหมไม่ปรก็จากพุทธทางธรมทั้งทางนี้เลยไม่ว่าอิยาบทใดแม้พระพุทธเจ้าจะทรงพระชนมอยู่ก็ตามทำไมสงสัยพุทภูมถามพระพุทธเจ้าพระพุจาตรีพานไปแล้วก็ตามเาไม่หวั่นไหวเพราะความจริงเท่ากันความรู้ความเห็นความจริงนี้มีเสมอกันนี่ะนักตื่นเดื่อโยยาปโยตั้งแต่พระพุ ตั้งแต่พระสาวกสูงแรกจนกระทั่งองค์สุดท้ายเมื่อถึงความบริสุทธิ์แล้วเสมอการหมดพระพุทธเจ้าปุญาิษนี่แหลัธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นให่นี่สำคัญก็คือปฏิบาตเรียนเนี้ยให้ปฏิบาติเรียนด้วเฉยจังด้วยเฉยลวมาโอมาอวดกันซื้อโม้ไปหมดไม่เกิดประโยชอะไรหมดน้าลาย นั่นเกิดประยชนักป่าที่เรียกเป็นตัวความรู้ตัวหัวเอาตัวไม่รอดท่นานเรียกนักป่านักป่าจ ร, งจรงิงๆต้องรู้จรงิงเห็นจริงตามหลักพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามแบบพระองค์ท่านนั่นก็เป็นนักป่าขึ้นมาโดยไม่ต้องเดสด็จจังสังและไม่ซึ้งเทรเหืม่มไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่เอือกอะไรความกินเต็มใจแล้วไม่ไม่ตื่นเต้นเสมอตัว ก็อยู่โดยย่างสมอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเมื่อทำของพระพุทธเจ้าขอให้ผ่านตั้งหลายได้นํนำไปพุทธปฏิบัติเราจะเป็นคารวาสก็ตามเป็นหญินก็ตามเป็นชายก็ตามอันนี้เป็นเทศ่ออันหนึ่งต่างหากหลักความกินธรรมชาติุิตอาจะนะอันแท้จริงที่จะสำสำหรับที่จะรับทํานั่นคือกันใจใจนั้นมีความรู้สึกได้เช่นเดียวกันไม่ว่าหญิงว่าชายมีความสระดแนลี้ยงคม และมีที่เหลึ่มเนเดียวกันและสา ม, มารถที่ยแท้สี่เหลี่นั้นให้หมดไปได้เช่นเดียวกันกับกับพระและเช่นเดียวกันคุเทศไม่มียิ่งอย่างต่กันจึงขอวิปปิทำเพียงต่งนี้หามว่าท่นานผู้ใดมีข้อความอะไรและศึกษาตลอดทางก็ได้ในระยต่อไปละวิปปิ